พอตกกลางคืนตอนดึกนะคะก็ได้ยินเสียงร้องของผีกงกอยมันจะร้องว่ากงกอยกงกอยแบบนี้นะคะคือถ้าเราทําผิดไปลากฝืนมามันก็จะออกมาแล้วก็ร้องกงกอยกงกอยกอกนะคะไม่มีคนใดก็คนนึงล่ะหากจะต้องมีอันเป็นไปพอตกดึกมากๆค่ะก็จะมีเสียงร้องครางดังอุ้ยทีเดียวเท่านั้นพอเปิดไปดูมีพจน์ไม้ปิดทวาวรเจ้าผีกงกอยล้วงไปกินตับเรียบร้อย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 พระสิมแล้วก็สา ม, มนเณรพรที่ลากลับก่อนนะคะก็ได้ตอบคําถามกับหลวงปู่สีาธาตค่ะบอกว่าหลวงพ่อสังไปลากฟืนก็เลยถูกผีกองกอยจกตับไปกินหลวงปู่ศรีธาตถามต่อไปค่ะว่าทำไมปล่อยให้ลูกสุภาอยู่องค์เดียวทั้งสองก็เลยตอบหลวงปู่ศรีธาตบอกว่าหลวงพ่อสุธาท่านไม่กลับท่านมุ่งจะทุดงตามลำพัง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 ปฏิบัติเป็นประเพณีนะคะในการกราบไหว้แล้วก็ในการส่งน้ำอัธิทาานของหลวงปู่ที่วัดป่านาธรรมวนาวาดจังหวัดมุกดาหารค่ะ